สวัสวดีโยคีทุกท่านครับนะก็ได้ภาวนากันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วสั่งสมกำลังไว้นะครับสลับกันไปเรื่อยสุดตะบ้างจินตาบ้างภาวนาบ้างนะครับสุดท้ายก็อเอามารวมกันดี่แนหะัะ เดี๋ยวก็สุตตะเดี๋ยวก็จินตาเดี๋ยวก็ภาวนาเขาอยู่ในแต่ละบรลังแต่ละขณะของชีวิตผสมประสานรวมกันคนชอบมีปัญหาถามเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบก็เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยพยายามจะหา ข้อคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันเพื่อให้สบายใจว่าทําไมปฏิบัติในรูปแบบเนื่องจากว่าเวลาในชีวิตมันร้อยรัดเต็มไปหมดจนหาเวลาที่จะนั่งเป็นเรื่องเป็นราวหรือเดินจงกรมไม่ได้เลยมันไม่มีข้อวัดว่าจะแค่ไหน แต่ถ้าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าจะบอกว่าท่านสามารถอยู่ในชีวิตประจาวันโดยไม่ต้องภาวนาในรูปแบบก็ได้ถ้าท่านเป็นคล้ายๆกับจับกลางทำงานก่อสร้างที่ไม่ต้องเข้าฟิตเนสก็ได้เด้บอกไหมครับถ้าท่านทำได้ขนาดนั้นจับกลางเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นมัดเลย ไม่ต้องเข้าฟิเนสก็ได้คือโอ้หในระหว่างที่อยู่ในระหว่างชีวิตประจําวันเนี่ยได้กระทําอย่างนั้นอะ่ะจนมีการภาวนาต่อเนื่องจริงๆการภาวนาไม่ได้แปลว่านั่งหลับตาแล้วก็เดินจมกรมเสียเมื่อไหร่ภาวนาตามมากอย่างเช่นกํนารังคุยโทราศัพท์เกิดอักุสนท่านละอักขุสลแล้วก็จเจริญอกุสนเนี่ยคือการภาวนาแต่ว่าถ้าทาําดัน ทำได้อย่างทำได้อย่างนี้ตลอดตลอดเนี่ยคือแทบจะทุกขณะเลยเยไม่จะเดินเฮิรนหยิบจับทํางานก็ทํางานไปใครจะไปว่าอะไรพระสองฆ์องค์เจ้าท่านก็ทํางานของท่านอยู่แล้วก็เหมือนกันเราก็ทํางานในแบบของเราแต่ทีนี้ก็ต้องถอนตัวเองขึ้นมาแล้วอย่าให้มันจมลงไปในอกุศลมากนักแล้วก็เครื่องร้อยรัดอย่างเช่นพวกกามาพวกกามคุณทั้งหลายก็ ในคขมมาทางใจละฉันทราค้าออกพระเจ้าบอกการจะละจะกกามสิ่งใดเนี่ยความจริงก็คือการละฉันทราคะนั่นแหละละความยินดีพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ก็หมดสภาพความเป็นกามไปแต่ว่าถ้าเราเป็นเหมือนคนทำงานออฟฟิศนั่งออฟฟิศตลอดคือไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วก็ตกเย็นก็แค่ไปเดินซื้อ ของในตลาดแล้วก็กลับบ้านเราก็ได้กำลังนิดเดียวถ้าอย่างนี้มันก็ต้องเข้าฟิตเนสก็ต้องวัดดูตัวเองว่าวันๆนหนึ่งเราภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันแค่ไหนถ้าทำมาทามากจริงๆก็นึกภาพจับกังก็ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสนะก็แข็งแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วสบายมากแต่ไม่อย่างนั้นก็ต้องเข้าฟิตเนสแต่ผมว่านั้นะไม่ว่าแบบไหนนะ แข็งแรงไว้ก็ได้เปรียบปัญหาก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นมระเช้าก็เตือนหลวงปู่มั่นก็บอกว่าสมาธิโดยส่วนเดียวก็มีลดไม่ได้ต่างกับไม้ถูฟันก็นิดเดียวถ้าไม่เอามาใช้ประโยชน์หลวงพ่อชาท่านก็ใช้คำว่าเหมือนมีดลับจนคมกริบแล้วก็เก็บเข้าฝักก็ไม่ได้อะไร ถ้าจะทําอยู่แค่อย่างนั้นก็ได้แค่นั้นก็เก็บเข้าฝักแต่ก็ไม่ไดเอามามาทําอะไรมันจะพ้นทุกก็แค่พ้นในระดับสมถะอย่างที่ผมบอกก็คือมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ลมปับ๊บดับลมเกิดเดี๋ยวมันก็ไปอีกถ้าไปเทียบกับเซนก็คือร่างกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องหมันเช็ดถูถึงจะอาจสะอาดอยู่เสมอก็เช็ดเข้าไปสิเช็ดทุกวัน่ะเพราะมันยังมีทั้งร่างกายมีทั้งต้นโพก็เช็ดทุกวัน มันไม่เห็นความจริงมันก็ไม่ปล่อยแต่ถ้าเกิดนําเอาสมาธิตั้งมั่นที่แข็งแรงดีแล้วมาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เห็นเลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับว่างจากตัวตนมีสภาพเป็นอนัตตาเกิดตามเหตุปัจจัยหมดตามเหตุปัจจัยเห็นอย่างนี้เข้าไปมากๆมากๆมากๆมากๆสั่งสมความเห็นถูกมากๆมากๆรูปนามทั้งหลายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ในที่สุดมันก็วางเข้าสู่วิราคะธรรมคือเบื่อหน่ายใครความยึดถือมันก็วางพอวางก็เกิดนิโรธก็เริ่มดับเอียนแล้วไม่เอาแล้วเห็นจนเอียนแล้วก็ไม่เห็นมีค่ามีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตัดไว้ในตอนหนึ่งว่าวิราคะธรรมเป็นธรรมที่สาคัญมากก็คือต้องเบื่อหน่ายใครความยึดถือของจิตไม่ใช่เบื่อขี้เกียจนะครับ คลายความยึดถือเพราะมันเกิดปัญญาว่าโอ้ตายแล้วนี่เรายึดอะไรเนี่ยยึดสุขยึดทุกยึดสุขยึดทุกเป็นพลังผลักดันของชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนวิ่งสแสวงหาเงินเพียงเพื่อหวังว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขได้ไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนู่อ น, อ, นอย่างที่ใจปรารถนาที่แท้ไปตามวิ่งไล่ตามอำนาจของตันหาไปเฉยๆพอกลับมาเห็นความจริงของชีวิตอย่างเห็นยายิย้มเห็น ครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามป่าตามเขาหรือว่าตามสถานที่ต่งตางๆท่านก็แค่ฉันเข้าไปอย่ายิ้มก็แย์กินเข้าไปเลี้ยงสภาพร่างกายเลี้ยงสภาพขันอยู่ได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้โลกพระสารีบุตรบอกว่าเสนาสนะเสนาสนะที่พอเพียงก็คือแค่อะไรก็ได้ที่คุ้มหัว แล้วฝนตกลงมาแล้วมันเลยเขาแดดส่องลงมาแล้วมันตกเลยเขาคุ้มแค่นี้พอละเสนาสนะเพียงพอที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานละพระเจ้าถึงได้ให้ภิกษุใช้บริขารแปดท่าน 8, นั้นเองมีแค่นี้เพียงพอที่จะรักษาขันของเธอแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับชาวโลกแค่นี้เองถ้าเราเห็นความจริงตามนี้แล้วทุกอย่างที่พวกเราวิ่งทาแล้วก็แสวงหาเกินหมด แล้วเกินแล้วเป็นยังไงเหรอเกินแล้วเข้าไปยึดไงยเกินกว่านี้ก็เริ่มยึดยึดทุกอย่างแล้วมันแปลว่าอะไรเงินที่ซื้อล่ะก็ใช้ซื้อความทุกข์ไงเงินทุกบาทที่เราหามาได้กำลังไล่ซื้อความทุกข์ให้กับตัวเองยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเอาแล้วมันต้องมีล่ะทีนี้ก็ต้องมีแบบไม่ยึดผมถึงบอกว่ามันต้องใช้กาลังภายในเพิ่มเป็นหลายเท่า่ะทีนี้ ถ้าไม่มีมันก็ไม่ยึดถ้ามีทายังไงไม่ยึดเนี่ยตรงนี้ที่มันยากถ้าไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีแล้วมันเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วอยู่ยังไงกับมันก็ต้องใช้ปัญญาเบิ้ลขึ้นไปต้องถอดถอนแล้วก็วางมีก็มีไปมีก็มีไปมีลูกอ่ะดีแล้วมีลูกก็ได้ทำหน้าที่แม่ก็ต้องใช้ปัญญาเพิ่มขึ้นหน่อยดูแลอย่างดีไม่มีทิ้งปล่อยวางนะ อย่างนั้นเรียกปล่อยประละเลยเป็นแม่ก็ทาหน้าที่ของแม่อย่างดีที่สุดเป็นผู้บริหารก็ทําหน้าที่ออกไปก็ต้องทำหน้าที่อย่างที่ผมบอกเสมอว่าอย่าให้ปล่อยประละเลยกับปล่อยวางเยอย่าให้สับสนปล่อยวางคือปล่อยวางความเห็นผิดปล่อยวางตัวตนปล่อยวางตัวกูอย่างเงี้ยปล่อยวางแต่ว่างานก็ทาทำด้วยจิตที่เป็นปกติเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ เห็นสภาพทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทำงานไปก็เป็นอิสระอย่างบางคนไปสวนยินดีทำไปปฏิบัติก็ขึ้นเครื่องบินจะว่าแพงก็ไม่ถึงกับแพงอะไรว่าพันกว่าบาทแอ้เชียนกแอร์อะไรก็พันกว่าบาทไปถึงสวนยินดีก็เกิดเกิดเที่ยงนะ บางคนก็หน้าตาเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาไกลจากกรุงเทพโอ้เหนื่อยจังเลยเดี๋ยนั่งพักก่อนเนี่ยมาตั้งแต่กรุงเทพหกร้อยกว่ากิโลเนี่ยกรุงเทพสุราษฎร์เนี่ยผมก็อืม้มเหนื่อยเนะบินมาเหรอค่ะบินมาไ ม, นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงบินมาเหรอถึงได้เหนื่อยอะ่ <c oughs> อกะก็เพือปีกมาเหรอ อ๋อเปล่านั่งเครื่องบินไหมอาจารย์ก็ไม่ผมสงสัยเเจแล้วบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่แถวบางกะปิอ๋อแล้วมาที่สวรรภูมิไงนั่งแท็กซีม่มาก็ไม่ได้เดินมาเนี่ยนะเดินจากบ้านแท็กซี่มาก็ก้นถูกเบาหลังถูกเบาเท้าถูกพื้นรถแล้วมันก็วิ่งพามาพม่เจอ แล้วก็มาลงที่สวนภูมิแล้ก็เดินไปเช็คอินไม่ถึงห้าสิบเก้าก็ถึงแล้วเคาน์เตอร์หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปขึ้นเครื่องก็คงไม่กี่เก้าหรอกแถมในสนามบินมันยังมีทางเลื่อนให้อีกนะี่ก็ถ้าจะเดินไม่กี่เก้าเลยไปถึงปับ๊บมันมีรถพาไปขึ้นเครื่องอีกก็ถ้าจะไม่ได้เดินเพราะขึ้นรถก็หลังถูกเบาก้นถูกเบาะเท้าถูกพื้นก็รถก็พาไปอีกแล้วก็เดินขึ้นบันไดเครื่องบินแค่นั้นเองแล้วก็อยู่บนเครื่องบินก็ ก้นถูกเบาหลังถุกเบาเท้าถูกพื้นเครื่องมก็พาลอยมาแล้วก็มาลงโุราร์รถส่นยินดีทำก็ไปรับถึงสนามบินเดินออกมานิดเดียวแล้วก็มาถึงผมถามเดินทางกี่ก้าวเนี่ยระยะทางอยู่ที่ไหนคุณปรุงมันขึ้นมาหมดเลยทุกวันนี้เนี่ยเราเหนื่อยจากการทำงานเพราะ แรงเสียดทานในใจตัวเองแรงเสียดทานในใจตัวเองมันถึงหิวไงมันถึงต้องกินขนาดนั่งอยู่บนโต๊ะเอ้ทำไมมันหิวอย่างนี้วะไม่ได้ออกไปวิ่งซะหน่อยคนงานแบกหามเขายังเออทั้งยกทั้งแบกนะครึ่งวันเที่ยงมาเขาก็ต้องรีบกินนะเขาหิวเขาเฮ้ยเรานั่งเฉยๆทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้วะ เพราะแรงเสียดทานในใจไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าเอาทีน่นั่งเฉยๆเนี่ยหลังถูกเบาะ ก, ก้นถูกเบาะเท้าถูกพื้นทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนเลยถ้ไมเหนื่อยยังกระจับกังเนี่ยเพราะว่าใจหลายครั้งเวลาผมไปบรรยายที่เชียงใหม่บางช่วงก็ขับรถขึ้นไปไปถึงก็คนสนิทสนิทโอ้อาจารย์เหนื่อยไหมขับรถมาจากกรุงเทพหรืนเชียงใหม่ โอ้โอก็ไม่ไ ม, ไม่เป็นไรหรอกไม่เท่าไหรความจริงก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกนั่งมาแล้วก็มือแตะโปรงมาเลยมาเฉยๆแล้วเท้ามันก็กดๆนิดเดียวไม่ได้เหนื่อยอะไรทํามัก็กดๆมือก็จับไว้เฉยๆนานๆก็ยกที้ <c oughs> ก็ถือไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วแล้วก็ลงมานั่งเฉยๆเลยไม่ได้เดินไปไหนเลยหกชั่วโมงก็จะเหนื่อยตรงไหนอ่ะคงหาว่าผมกวนนี่ พอมันเกิดดําบิตริตรึกขึ้นมาจึงเกิดระยะทางแล้วก็เวลานะทําไมพระหันถึงอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือการเวลาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไม่มีการดําบิตริตรึกขึ้นมาถึงอดีตถึงอนาคตปัจจุบันจะมีได้ยังไงไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีแล้วเวลามีไหมเวลาเป็นเรื่องของมัน <c oughs> แก่ไมมรู้ว่าเขาเรียกว่าแก่แต่อะไรแก่มันก็เป็นไปตามกาลมันก็ไหลเลื่อยมันไปอย่างนั้นแหละจะไปเรียกอะไรอะไรละ่ะมันก็คนถามผมว่าฝรั่งเขียนหนังสือชื่อ The Power of Now แสดงว่าฝรั่งเห็นธรรมแล้วเหรอทำอะไร มันทำไมไมันรู้ว่า the power of now เนี่ยอยู่กับปัจจุบันอะไรตรงนี้ผมบอกว่าแ ล, วแล้วมันทำไมทำไมต้องตื่นเต้นเห็นทำอะไรถ้ายังมี now ก็มีอดีตก็มี past ก็มี future แล้วมันยังไงเห็นทำอะไร the power of now ยังมี now อยู่เลยก็จะไปไหนละ่ะ นี่เราเห็นทำอขอบเปิดไฟดีกว่าครับไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นหนังสื อ, อหน้า69นะครับเราจะมาดูเนื้อหาสาระในเชิงผู้ปฏิบัตินะครับในประโยนชเชิงนักปฏิบัติข้าพเจ้าคือพระนนเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่า นะครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่น่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้ พ, ร, พระนครพาราณสีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุ ป, ปัญจปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่านะครับก็ตรงนี้เราก็ได้ดูมาคร่าวๆแล้วตอนช่วงวันแรกๆนี้ก็คือปฐมเทศนาละนี่คือคําแรกๆที่ท่านพูดกับโลกใบนี้กับเทวดาและมนุษย์เลยหลังจาก ตรัสรู้แล้วนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่เป็นสิ่งที่บันปะชิตไม่ควรพ้องแวะเลยนี่คือการประกอบตนผัวพันธ์อยู่ด้วยความใคร่ในกามนี่แหละที่ชาวโลกพากันยกย่องเชิดชูนักหนานะครับแล้วก็ยอมเหนื่อยทั้งชีวิตหาเงินหาทองมาเพื่อคัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามนี่แหละ ดูว่าท่านพูดถึงว่าอย่างไงเป็นของต่ําซามเจอเข้าไปคําแรกก็สะดุ้งแล้วนะครับเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าทางสุดโต่งสายแรกคือกา ร, รบาสุการิการิโยโคเนี่ยประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยกามเนี่ยไม่ใช่ทางปฏิบัติที่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเมื่อไหร่ยังผัวพันอยู่ด้วยสิ่งนี้อย่างลนึบหนับหนึบหนับหนึบหนับเป็หมดเนี่ยยาก เพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้ต้องใช้ด้วยปัญญาจริงๆใช้แบบถอนฉันทราคาจริงๆมันจริงจะดับมีอยู่แต่ดับดับไปจากจิตคือไม่เข้าไปปราถนาหยหาไม่เพลิดเพลินพอยู่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่งองอ่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่็่่ง่่่่่อ่อ่่่ง่่่่่่่่่น่่ไไน่่่่่ก่่่่่ไ่่่่่เ่่่่่่่ต้องใช้ปัญญาเป็นหลายเท่า ก็คือต้องใช้แบบไม่ติดเลยเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวเลยแล้วน้านี่เป็นน้ำสกปรกด้วยต้องเห็นนั่งดูทีวีนั่งดูอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวจบาของบริษัทว่าผมอีกนั่งดูอะไรก็ตามฟังอะไรก็ตามเนี่ยพรเจ้าถึงได้ตัดเอาไว้แถ้ถ้าไปดูในกลัวเกิดหน้าหลังๆการละอาสวะนานาแบบพู้เจ้ากล่าวเตือนภิกษุไว้นี่คือต้องทาไว้ในใจซึ่งอริยสัจ ขนาดที่ใช้อะไรรู้แล้วนี่นี่ทุกนะนี่เหตุให้เกิดทุกนะคือเตือนไปเรื่อยคำท่านพุทธทาสเคยพูดเอาไว้คำบอกว่าถ้าคนไม่เห็นโทษภัยของเสือเวลาเข้าไปเล่นกับเสือก็จะเหมือนนึกว่าเล่นกับแมวก็จะเข้าไปเล่นเต็มที่เลยแต่ถ้าวันนึงกลับมาศึกษาแล้วเห็นโทษภัยหัวเสือนี่มันน่ากลัวจริงนะ หลังจากนั้นถ้าต้องเข้ากลงเสืออีกท่านจะรู้เลยว่าเราจะอยู่ยังไงกับเสือถึงจะปลอดภัยนั่นแหละผู้ที่เห็นโทษภัยในกาม่ะหลังจากนี้กลับออกไปเนี่ยมองไปทางไหนโอ้โหนี่น่ากลัวเวย้ยเผอติดเย้ยแต่เอานะซื้อมาแล้วยัง 0% ูนเปอร์เซนตผ่อนยังไม่หมดเลยนั้นใช้ต้องระวังจะทิ้งตอนนี้ก็ไกลอยู่ใชใ้คุ้มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปบริจาคจะได้ซื้อใหม่ให้จอมโตขึ้นอีก จอยิ่งโตยิ่งติดใช้ระวังระวังนะทีนี้ให้เข้าถ้าเสือพัดเปิดประตูบ้านพโอ้โหนี่ถ้าเสือเลยมนะเนื้อซื้อไวเพียบเลยเสือเต็มบ้านเลยนะแต่โชคดีน้ําท่วมคลายที่แล้วเอาไปครึ่งแนละ้วเอาเสือออกไปครึ่งนะ้ตอนนี้ก็ลองซื้อลูกเสือตัวใหม่เข้าไปอีกนะือเอาเนะี่ยใช้แบบมีปัญญาก็แล้วกันนะฟังคําพระเจ้าไว้เยอะๆ อ, อย่าพยายามปฏิเสธข้างใน เปิดใจฟังเลยให้ท่านว่านะนักปฏิบัติต้องให้ครูบาอาจารย์ดา่ดาด่ามักด่าใช่ใช่ถ้าด่าปุ๊บเถียงนกักกบีห่หลุดมือเลยครูบาอาจารย์เห็นทั้งนั้นแหละถ้าแหมอุตสาหะทำขนาดนี้ยังไหวท่านจะเลิกว่าเลยจบเลยสวยเลยทีนี้เลยไม่โดนด่าเลยกระบี่หลุดมือนะถ้าเป็นจอมยุทธกระบี่ด้วยกันเนะี่ยถ้า ปับ๊บตัวขึ้นขยับนะกบีหลุดมือเลยเพ้นอยู่เฉยอย่าอย่า ง, า ง, างานเ น, นี่ยอ่านไปเนี่ยเป็นของต่ำซามเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนอืมจริงจริงเลยติจริงๆเลยเนี่ยเออให้มันเห็นความจริงเนี่ยอย่างน้อยชาตินี้ทำไม่ได้นะยังละไม่ได้นะให้มันมีสัมมาทิฏฐิฝังไว้ ก็ไม่พูดถึงชาติอื่นนะแต่ว่าให้มันฝังไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็คงได้เองแหละไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยผมถึงพยายามบอกว่าเวลาสมมติเราดูอะไรคลิปอะไรปั๊บนั่งสมา ธ, ธิแล้วก็บอกอย่าเรียทรากแล้วให้ย้อนถามตัวเองว่าไหนมันอยู่ไหน แล้วมันจะพบความจริงว่ามันจบไปแล้วแล้วที่กําลังเพลินพริรณพำสรเสริญเราหมก อ, อยู่นี่คืออะไรชาตนี่คือค้างวิญญาณอย่างค้างพบชาติอย่างค้างนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าพบมีชาติมีชรามรณะมีโศกปริเทวะมีมีอาหารของอวิชาวางลุลมลุลมช่วยได้ยังไง วันนี้รู้ปฏิจจสมุปบาทแล้วชี้เห็นเสียงวากระทบปังเกิดโทสะปัะ๊บโทสะเกิดความไม่พอใจพอไม่พอใจพบกําลังจะเป็นตัญหากลับมารู้ลงเวทนาที่เกิดเป็นอุเบกขาตัญหาดับบอบอบอ บ, อ บ, อ บ, อ บ, อบวงก้อวงวงจรทั้งหมดหยุดการเกิดหยุด จิตกลับอยู่ที่ฐานเข้าสู่อุเบกขาอุเบกขากับนิพพานต่างกันนิดเดียวจิตที่ยึดตรงนี้ยังเป็นอุปาทานในอุเบกขาปล่อยเมื่อไหร่เป็นสุญญาตาเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงให้ใช้อุเบกขานำทางเข้าไปก่อนเห็น้นวันนี้พยายามฝึกให้จิตกลับเข้าฐานแล้วก็อยู่กับอุเบกขาให้มากนะครับ ว่างๆก็รู้ลมว่างๆก็รู้ลมว่างๆเดินจากโต๊ะไปเข้าห้องน้ําก็เดินจงกลมไปจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่ท่านอ่ะแล้วแต่บรรยากาศที่มันทําได้ต้องเดินเร็วก็เดินเร็วเดินช้าได้ก็เดินค่อยๆรู้สึกว่าเครียดมากบนโต๊ะทางานมีแต่เรื่องมีแต่ราวก็เดินแนบๆผมถึงบอกว่าเราปรับจูนของเราเองได้โอ้โหเครียดมากเลยันนี้กระทบก็ไปไม่รู้สึกตัวเลยมีแต่เครียดอย่างเดียวเวลาเดินไปห้องน้ําก็เอาความรู้สึกเนี่ยแนบๆ เดินลักลากแนบแนบหน่อยจิตมันจะปล่อยจากที่นึงแล้วก็ไปอยู่กับสมาธิจิตมันจะได้พักนะครับสมาธิภาวนาเป็นเพื่อสุขวิหารก็คือพักเดินไปถึงห้องน้ําก็พอดีแหละสมาธิเกิดล้างหน้าล้างตาเอารู้สึกจิตใจผ่องใสเบิกบานขึ้นก็เออก็ยังชั่วหน่อยเดินกลับมาก็พร้อมจะมีกําลังชาร์จไฟก็ทํางานต่อไม่ต้องมารอมาชาร์ที่ยุพุทธชาร์จเองนะชาร์จเองชาร์จเองไปเรื่อย จิตก็เริ่มเข้าไปอยู่ในฝ่ายกุศลเยอะพอนั่งโต๊ะครั้งต่อไปงานเข้ามาที่นี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นปั้งกําลังจะอืมเมื่อเช้าไหลตอนนี้เริ่มดีขึ้นละเริ่มอยู่เหนือปัญหาละปัญหามันต้องแก้อยู่แล้วทุกวันแต่วันนี้เราดันเอากูเข้าไปแก้เอากูเข้าไปยุ่งแทนที่จะใช้สติปัญญาเป็นตัวแก้เราเอาเอากูเข้าไปแก้มันก็เลยเป็นแรงเสียดทานตลอดเวลา ค่อยๆถอนขึ้นมาไม่รู้จะถอนยังไงก็ยังนึกไม่ออกก็รู้ลมงีงค่อยๆลดสิ่งนี้ลงสักแต่ว่าไปเรื่อยนะครับสักแต่ว่าไม่ใช่ทําส่งเดชนะคนชอบค่อยๆเออสักแต่ทาไม่ใช่คือไม่ใช่สักแต่ทาแบบส่งเดชแบบนั้นทําดีที่สุดคําว่าสักแต่ว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้สอนตั้งแต่ภายยะนั่นแหะจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คือเห็นก็สักแต่เห็นไม่ใช่สักแต่ทําส่งเดชไม่ใช่คนชอบไปตีความหมายว่า เวลาสักแต่ทำงานมันก็ไม่ค่อยเรียงานก็ไม่ค่อยดีไม่คนละเรื่องคนละเรื่องคือจิตวางตัวเป็นกลางไม่เข้าไปปรุงแต่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยสักแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเขาก็เรียกว่าอ่าสภาพอย่างนี้ก็เป็นสังขารูเบกคาญาณเนี่ยจิตอไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อเกิดเป็นอุเบขาต่อการปรุงแต่งสังขารคือการปรุงแต่งอุเบกคาวางอุเบกขาต่อสังขารจิตมันถอยหลังออกมาไม่ไม่เข้าไป ยุ่งด้วยนะเป็นนิพพานในฝั่งโลกีซึ่งตรงนี้ก็สมบได้แล้วแหละนิพพานในฝั่งโลกีเนี่ยคือฝึกไปเรื่อยๆจิตก็จะวางเป็นกลางต่ออุเบกต์ต่อสังขารการปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นระดับหนึ่งแล้วสบายใจได้ระดับหนึ่งทีนี้อีกระดับหนึ่งก็ปล่อยวางเลยปล่อยวางขันนะครับสักแต่ว่าจริงๆอันนั้นสักแต่ว่า ทีนี้มาทางสุดตรงอีกสายหนึ่งที่ท่านตรัสไว้ก็คืออัตตะกิตมัานุโยโคโ ค, คือประกอบการทรมานตนให้ลําบากเป็นสิ่งนํามาซึ่งทุกข์ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าให้ประกอบด้วยประโยชน์ตรงนี้ต้องนึกภาพไปออกนะครับว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยมีฤาษีชีภัยรวมถึงตัวท่านเองก็เคยทําทุกรกิริยาแล้วตอนที่ท่านทําทุกระกิริยาเนี่ยปัญจวคีก็ไปเฝ้าไปดูแลซึ่งปัญจวคีก็ยังมีความฝังใจว่า การทำทุกรกิริยาเนี่ยจะเป็นคนทานการพ้นทุกข์พอพระพุทธเจ้าเลิกทำทุกขกิริยาปัญจวัคคีย์ถึงหมดศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าถึงได้จากมาโอ้กลับไปกินข้าวแล้วจะไปได้อะไรอย่างเนี้ยท่านก็เลยต้องอธิบายฟังหรือชี้ให้เห็นว่าการทรมานตนให้ลําบากเนี่ยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้านะนจะเห็นอีกด้านเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้อาจารย์นั่งสมาธิสามสิบนาทีนี่เป็นการทรมานตนนะ ผมบอกว่าท่านนั่งบนตะปูอ่ะใช่นี่นั่งบนอาสนะนั่งบนเสือนั่งบนอาสนะแถมยังเย็นอีกต่างหากตะเงียบกริบเลยพ อ, อทํานี่เงียบจริงๆเงียบอย่างถ้ำเลยเวลานั่งสมาธิหน่าทํามชาตจริงๆเลยทีเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ทรมานกายนั่งครึ่งชั่วโมงอยู่บ้านนั่งนานกว่านี้อีกคนเล่นไพ่นั่งนานกว่านี้อีก ไม่เห็นทรมานเดูก่อนภิกษุทั้งหลายพอท่านชี้ทางสุดตรงสองสายให้เห็นนละท่านก็บอกว่าข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักสุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดยานยาณะตัวนี้แปลว่าความรู้นะครับเป็นความรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ฌานนะไม่ใช่ฌาน ญาณญาณนะเป็นความรู้เป็นความรู้แจ้งจากวิปัสสนาฌานเป็นการเพ่งเป็นส่วนของสมะะถะปฐมฌานทุติยฌานพวกนี้อยู่ในส่วนของสมถะอ น, นิีน้ญาณญาณะแปลว่าเครื่องรู้ความรู้ เป็นเครื่องกระทําให้เกิดยานเป็น เ, เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานสรุปง่ายๆคือท่านบอกว่าทางปฏิบัติเป็นทางสายกลางเนี่ยเป็นทางสุขพระนิพพานแล้วเห็นไหมครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางเป็นอย่างไรล่ะข้อปฏิบัติทางสายกลางนั่นคือมักมีองค์แปดนั่นเองแล้วท่านก็สวดสวดบับมือแ8ดนี่แหละ เริ่มต้นก็มักมีองแปดเลยอย่าลืมว่านี่คือปฐมเทศนาครั้งแรกเลยนะครับมาถึงเปิดฉากกับปัญจวัคคีย์เลยว่าสุดตรงข้างหนึ่งคือตามใจกามอีกข้างหนึ่งคือทรมานกายทางสายกลางสู่พระนิพพานคือมักมีองแปดเริ่มต้นประกาศสู่โลกก็บอกมักมีองแปดเลยยังไม่ได้บอกเลยว่าท่านตรัสรู้อะไร ท่านบอกนี่แหละหนทางสู่พระนิพพานเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วนี่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วนี่แหละตะถาคตตรัสรู้แล้วทางสายกลางเนี่ยมักทั้งแปดองค์เนี่ยเป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักสุเป็นเครื่องกระทําให้เกิดญาณเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน ที่เราพูดกันมากในคอสนี้แล้วก็ชื่อคอสคือมักคานุคาก็เพราะสำคัญอย่างนี้แหละนะครับปฏิบัติตามนี้แหละแล้วท่านก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่ท่านตรัสรู้ละอริยสัจคือทุกแล้วก็อธิบายวันนี้เนี่ยผมว่าฐานจิตของท่านไม่ได้ถูกเยิมไปด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้ว ลองกลับมาอ่านทุกคืออะไรใหม่ผมเชื่อว่าวันนี้ท่านเห็นวันแรกที่ท่านมาท่านไม่เห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์อย่าเห็นมันเป็นธรรมดาก็แล้วกัน แต่มาถึงข้อยิบยิบย่อยๆเนี่ยการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รับที่พอใจก็เป็นทุกข์ไอ้นี่กับใายเป็นเราเข้าใจแต่เรื่องหลกัหลกๆเราไม่เข้าใจความเกิดเป็นทุกข์อย่างไงแก่เป็นทุกข์อย่างไงก็แก่ก็เป็นธรรมดาไม่ใช่หรือใครๆก็แก่ความตายก็เป็นธรรมดาเสร็จเลยทีนี้เราเราไปเห็นของทุกข์เป็นของธรรมดาก็เรียบร้อยเลยมือเลยชินอยู่กับน้าร้อนเลยแล้วจะออกไงละทีนี้ แต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันเริ่มเห็นความจริงเห็นความจริงถอดถอนความเห็นผิดโอ้โหไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายนี่มันเริ่มต้นที่ไหนครับเริ่มที่เกิดความล่ำไรลําพันความไม่สบายกายประสบกับสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจเป็นโน้นแล้บเริ่มที่ไหนเนี่ยเริ่มต่อจากเกิดทําไปทํามาทุกอย่างมันต่อมาจากเกิด มีเกิดมีทุกข์หมดเหตุเกิดหมดทุกข์คนถามผมในคอร์สว่าเราเกิดมาทำไมผมก็ย้อนถามทุกคนว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาแสวงหาทางคนทุกข์เกิดมาเป็นคนดี อะไรก็ได้แล้วแต่จะตอบแต่ในความรู้สึกของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเกิดมาเพื่ออะไรถ้าวันที่ผมคลอดออกมาแล้วผมพูดได้หมอถามเกิดมาทําไมเนี่ยผมบอกผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้อยากเกิดผมไม่ได้เกิดมาทําไมอะ่ะผมไม่ได้เกิดมาทําไมจริงๆผมไม่ได้จะพูดกวนอะไรแหละแต่ผมไม่ได้เกิดมาทําไมผมไม่รู้ว่าทําไมผมเกิดมาแต่วันนี้ผมบอกว่าถ้าทอมถามว่าเปลี่ยนคําถามใหม่ทําไมถึงเกิดมาท่านตอบง่ายทีดเดียวเพราะมีเหตุเกิด ก็ทําเหตุเกิดไพื่อใ้มัเกิดเดิก็พระอาตธติเขบอกแล้วจริงทั้งหลายเราได้เกิดมาแต่เหตุก็มีเหตุเกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับผมไม่ได้เกิดมาทําไมผมก็ไม่รู้ว่าผมอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดถ้าลองไม่เชื่อท่านลองดิเวลาลูกกอดออกมาออก็ทําไมลูกนะลองให้มันตอบได้ดิหนูก็ไม่รู้พ่อทําไหมเหรอเอาโทษเราเลยทีนี้แสดงว่าต้องมีเหตุเกิดมันถึงเกิดไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้จะ คนจะตอบไปทําไมว่าเกิดมาทําไมไม่จะตอบไปทําไมผมไม่เห็นมีคําตอบว่าเกิดมาทําไมเนี่ยเพราะตอนเกิดมาก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมเกิดมาทําไมแต่มันมีเหตุเกิดมาเลยต้องเกิดแล้ววันนี้พระเจ้าถึงได้บอกว่าเธอจะขําควรไปเท่าไหร่ก็ได้โอ้โทุกจริงๆไม่อยากเกิดอีกแล้วขอตั้งความปรารถนาว่าไม่เกิดแต่ตราบใดที่เธอสร้างเหตุเกิดไม่หยุดเธอไม่ต้องมาพูดอธิษฐานขออย่าได้เกิดอีกเลยชาติ ตตันหาไม่หยุดจะตั้งทำไมล่ะก็หาทางละตันหาซะสิมันจะได้หมดเหตุเกิดก็ท่านก็บอกแล้วการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปตันหาผู้สร้างพบเราหากยอดเรือนเธอเสียแล้วเนี่ยก็จัดการกับตันหาสักก็จบหมดเหตุเกิดพอหมดตันหาใจก็สงบเย็นหลังจากนั้นก็ถอดถอนถอดถอนอุ ป, ปาทาน ทีนี้มาถึงเรื่องอริยสัจคือทุกข์ต่อมาก็เป็นอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ลองมาดูว่าผู้จ้าตรัสเหตุให้เกิดทุกข์ให้กับปัญจวัคคีย์หรือว่าโลกนี้ฟังว่าอย่างไงนะครับเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอันเป็นเครื่องทําให้มีการเกิดอีกชัดเจนเลยนะครับตัณหาอันเป็นเครื่องทําให้มีการเกิดอีก ก็เอ็นนี้แหละนะครับไม่ต้องไปบอกว่าเกิดมาทำไมนะอันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์ตัวนี้ก็ชื่อนันีิราคะทำอะไรทำอะไรก็กินอาหารอร่อยก็เพลินดูหนังสนุกก็เพลินฟังเพลงเพราะๆก็เพลินได้กลิ่นหอมๆก็เพลินเพลินหมดนะครับ การมาสุขานิการุโยค ก, ก็มากันมีตันหาเพราะว่ามีราคะมีราคะก็พราะมีนันทิอ่ะราคามาแล้วก็มีนันทิก็เ พ, เพลินในราคะแล้วก็เกิดตันหาก็มากันเป็นเชื้อเลยแล้วพอมีตันหาก็สร้างเหตุเกิดแล้วแล้วจะไปถามใครว่าเกิดมาทําไมก็สร้างเองนี่นะสร้างเองมาตั้งแต่กูแล้วสร้างกูมาก่อนไอ้พวกนี้ก็เป็นผลเฉย เดี๋ยวก็ต้องหาทางย้อนกลับไปขอดเก็บตั้งแต่ข้างบนไนโพลนี้เป็นแค่อาการของจิตเป็นพฤติจิตนะผลเฉยๆอย่าไปโกรธผลเลยแต่วันนี้ก็เห็นละโอ้เห็นเห็นโทษภัยเห็นโทษภัยไปก่อนนะตัณหานี่มันเป็นผลในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็ลงมาต่ออยู่ข้างล่างตั้งไกลแสดงว่ามีเหตุมาจากข้างบนนะมาส่งผลเป็นข้างล่าง มาเกิดเป็นเวทนามาเกิดเป็นตัณหาเป็นผลเป็นข้างล่างเป็นอาการเฉยๆส่งลูกไปอยู่กับโจรลูกนิสัยไม่ดีทําอะไรก็กระฟัดกระเฟียดเนี่อันี้เป็นผลนึกออกไหมครับมันเป็นผลเหตุก็เพราะว่าส่งมันไปอยู่กับพวกโจรโจรก็คือพวกกิเลสทั้งสามตัวนีทีนี้พอมันออกมานิสัยไม่ดี ก็มานั่งตาเรื่องนิสัยไม่ดีแต่ถ้าวิธีของผู้เจ้าคือให้เห็นเหตุแล้วก็ไปจัดการกับเหตุไปเรื่อยๆปฏิจจสมุปบาทก็ค่อยๆเมื่อเยอะดูจากสายดับจะให้ตันหาดับก็ต้องดับเวทนาเมื่อเวทนาดับตันหาจะดับเวลาเราสวดสายดับเนี่ยถ้าเวทนาดับตันหาก็ดับแสดงว่าสติต้องรู้ทันถ้าผัสสะดับเวทนากระดับสติต้องทันตั้งแต่ผัสสะ เมื่ออญญายทานะดับตัดภาษาก็ดับถึงตรง น, นี้คนจะเริ่มงงก็มันก็ต้องรกระทบตลอดไม่ใช่เหรอแล้วภาษาจะดับได้ยังไงในเมื่อเราเลี่ยงภาษาไม่ได้ก็ในเมื่อถ้ามันไม่ยึดสิ่งหูหูไม่ใช่เราตาไม่ใช่เราจมูกไม่ใช่เรารูปทั้งหลายกลับไปเป็นสภาพเป็นเป็นรูปจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงสวยอย่างเงี้ยวันนี้เราเห็นรูปไหมรูปนามเห็นไหม พอเห็นผู้หญิงสวยวโนหูคนที่สวยนะคุณไม่ได้เห็นรูปคุณเห็นการปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วในใจคือเป็นผู้หญิงสวยแต่ถ้าคุณถอดการปรุงแต่งออกคุณจะเห็นรูปเห็นธาตุเหมือนอพระโมคคัลลานะถูกรูปถ้าเป็นคนธรรมดาถูกผู้หญิงรูปมือที่มาลูปมันจะถูกเป็นมือของคนนั้นคนนี้คนน้นสวยคนนี้สวยมันจะถูกปรุงขึ้นมา ทั้งๆ ท, ที่ความจริงเขาเป็นรูปเป็นธาตุอยู่แล้วโลกนี้ว่างอยู่แล้วไม่ว่างอยู่ที่จิตเพราะจิตปรุงขึ้นมาเองพอถอดถอนที่จิตปั๊บเฮ้ยโลกว่างมันว่างอยู่แล้วที่มันไม่ว่างเพราะไอ้นี่ถึงตรงนี้ธรรมะหมวดนี้มันขมวดกันเข้าไปถึงตัวหมดแล้วนะครับตั้งแต่นามรูปไล่ขึ้นไปวิญญาณสังขารอวิชชาเนี่ยบี้เข้าไปถึงหมดแล้ว กำลังถอดถอนแล้วก็ลอกที่นี่ออกหมดนะครับสกิทาคามีพระนาคามีถอดถอนความลหลงไหลในรูปได้หมดโลภะหมดโทสะพอหมดโลภะโทสะก็หมดด้วยเพราะวันนี้ที่เกิดโทสะก็เพราะว่าโลภะมันไม่ได้ตามหวังมันก็เกิดโทสะพอมันหมดความปรารถนามันปลดทีเดียวลงมาสองอันเลยเนะย มันปดทีเดียวสองอันเลยทํำไมไมันถึงหมดโลภะได้เพราะหมดความปรารถนาในรูปธรรมแล้ว <c oughs> เห็นแจ้งความจริงของรูปธรรมแล้วว่าจริงๆ ร, รูปธรรมเนี่ยว่างที่ปรุงอยู่ปรุงขึ้นมาเองเราดันไปปรุงรูปธรรมขึ้นมาเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นการปรุงแต่งพอปดตรงนี้ภู่ข้างนอกก็เหมือนเดิมว่างมันว่างอยู่แล้วไม่เคยเปลี่ยนครูบาอาจารย์บอกถึงกอกไปทําที่จิตข้างนอกมันว่างอยู่แล้วไม่ใช่ไปวิ่งทําข้างนอก ศักแต่ว่า้าตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดพยายามเพ่งให้มันเป็นธาตุดินเลยมันเป็นดินอยู่แล้วเปลี่ยนที่นี่สมาธิละราคะตั้งมั่นไว้แล้วเดี๋ยววันเดินจะเห็นความจริงไม่ต้องไปเปลี่ยนที่นูน่นเปลี่ยนที่นี่นะอย่าขี่วัวไปหาวัวมันอยู่ที่หน้าผากวัวบีให้ถูกที่อย่าไปบีข้างนอกบีข้างใน พอมาถึงส่วนที่สามก็คือนิโรดนะครับที่เราไปถึงสมุทยัยมาถึงนิโรดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์มีอยู่นี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัญหานั่นเองเป็นความสละทิ้งเป็นความสลัดคืนเป็นความปล่อยเป็นการทำไม่ให้มีที่อาศัยซึซ่งตันหาอีก น, นิโรธคืออะไรถ้านี่เป็นสมุทยัยเราสร้างเหตุเป็นสมุทยัยนิโรธก็คือละสมุทยัยก็เป็นนิโรธอย่างเช่นห้องนี้มืดไม่ต้องไล่ความมืดเปิดไฟนิโรธควรทำให้แจ้งพอแจ้งปั๊บสมุทัยหาย ความมืดหายไม่ต้องไล่ความมืดจะปล่อยของหนักอันนี้เป็นของหนักไม่ต้องพยายามจะจัดการกับของหนักทำยังไงของปล่อยแล้วเบาจะทำไงถึงจะเบากันทำไมถึงจะเบาต้องพยายามไปออกกำลังเหรอปล่อยแล้วเบาครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถึงชอบบอก ก็แค่ปล่อยแค่นั้นเองจะไปทำอะไรฮะต้องต้องให้ได้สามสิบทีต้องให้ได้ร้อยทีท่านบอกทำอะไรทำอะไรเหรอเอากำลังจะได้มีเยอะๆแล้วทำไมเอากำลังไปทำอะไรจะได้ปล่อยไงแล้วทำไมไม่ปล่อยเลยต้องยกเวทฉันได้สามพันครั้งก่อนแล้วทำไมแล้วปล่อยทีนี้ยิ่งไม่ปล่อยเลยเพราะมันยึดมั่นถือมั่นว่ากูนี่แข็งแรงมาก ปล่อยดิเลิกกลับบ้านเลยแค่นี้เองวันนี้กําลังเดี๋ยวเดี๋ยวงง อ, อีกเมื่อกี้บอกให้เดิงงนจงกรมมาทีไม่ใช่เดี๋ยวงงแต่ก็จริงแนหะมันเหนียวอะ <c oughs> ออกกําลังหน่อยนะจะได้สลัดเพราะว่าเห็นไหมเป็นความสลัดคืนสลัดทิ้งก็มันไม่ยอมทิ้งอะก็ต้องทําให้มันเห็นก่อนนะต้องต้องทําให้มันเห็นตนั้งมันขึ้นมาเดี๋ยวงงเดี๋ยวงง มาถึงข้อที่สี่มรดดูก่อนพิสูจทั้งหลายกอริยสัจคือข้อปฏิบัติธรรมที่ทําสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์มีอยู่นี่คือข้อปฏิบัติ <c oughs> เป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการเห็นไหมครับกลับมาที่มรดมีองค์แหลักที่นี้มรด ก, กลับมาอยู่ในอริยสัจข้อสุดท้ายเริ่มต้นมรดแสดงบทบาทของพระเอกก่อนเลยคือทางสายกลาง พอเดินตามทางสายกลางปุ๊บตัดสรู้รู้แจ้งขึ้นมาเลยเห็นนาริยสัจมาเห็นมากอีกทีหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่รู้่คนสงสัยไม่แต่ผมสงสัยตั้งแต่ไหนแต่ ไ, แตไรแล้วกว่าจะได้คําตอบเนี่ยผมสงสัยทําไมทุกถึงมา ก, ก่อนสมุทัยวะทําไมไม่สมุทัยแล้วทุก ปกติมันต้องมีเหตุก่อนนะ่ะมันถึงจะมีผลแต่ที่ทําไมพระเจ้าถึงเอาผลมาขึ้นก่อนเหตุพ่อมาถึงส่วนดับมันควรจะต้องมรรคก่อนนะแล้วถึงจะนิโรธแล้วทาไมนิโรธมาก่อนมรรคผมยอมรับนะตอนนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆเลยทาไมทําไมทุก จะมาก่อนสมุทรไทยได้ยังไงนักเข้าไปใหญ่ที่ผมสงสัยคือนิโรธทำไมมาก่อนมรคเพราะว่นต้องเจริญมรคถึงจะเกิดนิโรธโอ้โหผมนี่นะแล้วพอไปอ่านเจอพระสูตรหนึ่งนี่แน่ภิกษุเธออย่าเปลี่ยนนะเธ อ, อย่าเปลี่ยนอริยสัจสีที่ตถาคตตรัสรู้ตถาคตเรียงลำดับไม่ถูกแล้วท่านบอก ผ ม, ผมไม่ได้คิดจะเปลี่ยนหรอกแต่ผมสงสัยผมไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ผมสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงได้เห็นอย่างนี้จนวันหนึ่งเล่าให้ฟังเฉยๆนะผมก็ระหว่างที่วันนั้นอยู่ที่สวนยินดีธรรมเนี่ยนะก็มีเขาก็เอาอาหารมาให้แล้วก็มีขนมหวานเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ทานข้าวเสร็จก็อิ่มแล้วล่ะาหารไปดูผลไม้ก็ คือโอ้โหพาระเนะี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นภาระมากเลยผลไม้เนี่ยนะกะ็ฝืนกินไปได้สักหน่อยนะึงไม่ไหวล้วพอดีกว่าผมรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยไอเอาทาสใส่เข้าไปในทาสเนี่ยนะใส่มาตั้งแเด็กต้องไม่เลิกใส่สะทีนะคือต้องใส่กันตลอดจนตายเลยอนะ่ะแล้วก็ไปดีกว่าพอยละก็เหลือทั้งของดีๆเข้ามาให้ก็เลยใส่ตู้เย็นไว้อีกสองวันผ่านมาผมก็นึกาทานข้าวอยู่ก็เ อ, อ้อ ผลไม้มันได้กินเลยเก็บไว้สองวันแล้วไม่เอามากินหน่อยก็มาวางแล้วก็ทานข้าวมันก็อิ่มอีกหละก็เหลือไอ้ปัญหาไอ้ผลไม้อาจารย์เดิมนี่อีกมาเริ่มทุกข์กับมันอีกครับ ท, ท่านทานกินไปกินไปหมดหมดสัทีจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับมันอีกกินไปกินมาจังหวะไม่รู้ยังไงนะผัวขึ้นมาประดีเลยตรงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ย เรานี่งโง่จริงนะวันนั้นถึงรู้เลยว่าทำไมถึงทุกสมุทรไทยนิโรธมรรคตอนที่กำลังกินน้ั่งหุ่นอยู่นั่พอดีเลยท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆและทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยยกเว้นพวกเราจะต้องอาศัยมรรคในการเดินทาง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นเนียท่านเห็นทุกข์ก่อนแล้วท่านถึงจะไปเห็นเหตุแต่ความที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเจริญด้วยมรรคแล้วเนี่ยนิโรธจึงเกิดเลยเพราะว่าวางสมุทยัยจากหลังจากนั้นหลังจากท่านเข้าถึงความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วเนี่ยท่านจึงเข้าใจอริยมรรคียงแปดจึงนำทั้งบดมาบอกสอนให้กับสาวก ย้อนหลังกลับมาอีกทีหนึ่งวันนั้นผมถึงบอกโรงขึ้นมาแล้วบอาโอ้โหแผ่นดินนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีใครออกจากทุกข์ได้เลยนะนเนี่ยเพราะว่าแม้นพระเจ้าเองยังเห็นมรรคตอนหลังจากนิโรธแล้วเนี่ยแล้วใครจะมีปัญญาเดินทางไปจนถึงนิโรธหากไม่มีมรรคทฤษดีนี้จึงถ้าเป็นสมการเนี่ยมันจะขัดกันมากเลยแทนค่าไม่ได้เลย เพราะว่าตัวที่จะแทนค่ากลับไปอยู่ตัวสุดท้ายตัวที่จะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยไปอยู่ตัวสุดท้ายอะ่ะผมถึงว่าโอ้โหความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาจริงนี่ถ้าวันไหนที่มรคหายไปจากแผ่นดินนะั้นเลิกเลยจบจบเฮมนุษย์เดินทางเกิดตายกันไม่มีทางออกอีกเลยมาถึง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแกเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนตอนนี้ผู้เจ้าตรัสรู้แล้วนะครับอันนี้ท่านสวดแล้วท่านก็จะได้ยินจักขงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกอุตปาทิซึ่งตรงนี้ในพระหันทั้งหลายก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับ แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราจิตใจก็จะเริ่มปราศจากโมหะอวิชชาเข้าครอบงำอีกก็จะเกิดแสงสว่างของจิตอยู่อย่างนั้นอะโลโกุตปาที่เกิดเป็นแสงสว่างภายในในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนใครมาบอกท่านเหรอนี่ปัญญาเครื่องตัดสรู้ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเรื่องอริยสัจ ทุกอย่างเกิดขึ้นมาหมดจากข้างในท่านตัดสรู้แจ้งด้วยตัวเองเลยว่าอาริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้รู้แล้วว่าทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วรู้ด้วยต่อไปว่ากิจที่ต้องทําในอริยสัจข้อนี้คือทุกข์ควรรู้แล้วท่านก็เห็นต่อไปเลยว่าเราได้รู้แจ้งแล้วเราได้รู้แล้วเราได้รู้ทั้งหมดแล้วในทุก ดูดีๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะไปเชื่อมโยงกับตอนสุดท้ายพอถึงตรงนี้เนี่ยทุกคืออะไรทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านเห็นว่ากิจในอริยาาสัจคืออะไรอันนี้คือรอบที่สองนะครับปริวัตรสองทุกควรรู้จนมาถึงปริวัตรสเราได้รู้จนหมดแล้วพอมาถึงสมุทยัยสมุทัยคืออะไรสมุทัยควรละอันนี้รอบที่สองปริวัตรสองนะครับ เราได้ละจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้นะครับเราได้ละเราละได้แล้วนะครับเราละได้แล้วมาถึงอันที่สามนิโรดนิโรดคืออะไรท่านบอกแล้วนิโรดควรทำให้แจ้งเป็นกิจในอริยสัจที่ต้องทำกับนิโรดนิโรดควรทำให้แจ้งแล้วก็มาถึงปริวัติสามท่านก็บอกว่าเราทำให้แจ้งได้แล้วท่านทำครบหมดเลยเห็นไหมครับมาถึงมรคมรคคืออะไรท่านเห็นหมดแล้ว มักควรเจริญนะควรเจริญได้มากเราได้ทำให้เกิดอีแล้วจะเห็นได้ว่าท่านทำหมดทุกกระบวนการแล้วจึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนี้ทั้งสามรอบการกระทำในอริยสัจ ท, ทั้งสามรอบอริยสัจสี่มีสี่รอบที่สองคือกิจในอริยสัจบวกไปอีกสี่เป็นแปดเราได้ทาจนเสร็จแล้ว รอบที่สาเป็น12นี่เรียกว่าอาการ12ปริวัติสามีอาการ12ท่านทำจนหมดจดแล้วในอริยสัจทั้งสี่ยังหากหากท่านยังไม่ได้ทำปริวัติสามอาการ12ซึ่งยังไม่บริสุทธิ์หมดจดแก่เราเนี่ยเราจะไม่ปฏิญญาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่นี่ท่านทำจนหมดจดแล้วทั้งสข้อท่านจึงปฏิญานตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องผ่านปริวัติสามอาการสิบสองทั้งหมดทุกพระองค์จึงจะปฏิญาณตนว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วของเราทุกควรรู้เริ่มต้นทุกไม่ใช่เองไม่ใช่ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเข้าใจเพราะเคยอ่านมาแต่เอาเข้าเป็นจริงเราก็ไม่รู้อยู่ดีพอมาถึงทุกคนรู้เราก็เห็นดิเบกก้าก็ไม่รู้ เด็กนั่นก็ไม่รู้ใครๆก็ไม่รู้ดูจระเข้งับไม่งับงับไม่งับตอนนั้นทุกอย่างครับทุกควรรู้รู้อย่างครับไม่รู้ข้อหนึ่งจบเลยต้องกลับไปเริ่มต้นใหมนะ่เพราะฉะนั้นปฏิญาณต้นไม่ได้แบบนี้นะเริ่มต้นต้องค่อยๆกลับไปส ก, กิตไอ้เครื่องดีเทกเตอร์นี้ใหม่กลับไปฝึกมัดใหม่จเจริญใหม่ค่อยๆรีโปรแกรมขึ้นมานะอัปเกรดเครื่องหน่อยให้มันเซ็นเซอร์มันไวๆหน่อย จะไวยังไงหนึ่งก็อาศัยอยู่กับอุเบกขานี่แหละให้เยอะๆมันจะได้มีเครื่องเตือนสองก็ทำปัญญาให้เกิดกรรมนิโยนะคล่องแคล่วควรแก่การงานนะฝึกที่จะพิจารณาไปเรื่อยนะอย่าปล่อยให้มันจมแช่เมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงมีปริวัติสามีากาสิบสองเช่นนั้นในอริยสัจสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแกเรา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราปติญญาว่าตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรห ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะท่านผ่านปริวัตรมการสิองดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราเห็นไหมครับว่าสัมมาญาณนะสัมมาวิมุติ เกิดขึ้นที่พระอรหันต์มักเรารู้จักองค์แปดแต่เราไม่รู้ว่ามักมีองค์สิบเก้ากับสิบเกิดเฉพาะที่พระอรหันต์เท่านั้นนะความเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้นะอันนี้เป็นธรรมจักรฉบับย่อของจริงก็จะมีต่อไปอีกว่าโอ้โหโลกนี้สันสะเทือนเลยนะครับจากการประกาศธรรมเป็นปฐมเทศนาเนี่ย ถ้าท่านไปอ่านทำมาจากฉบับแบบเต็มเลยเนี่ยจะ ก, กระเทือนไปทุกชั้นของเทวดาถึงพรมถึงทุกๆอย่างเลยเป็นการบรรลือสีหานาถถ้าท่านไปเปิดในอริยสัจจากพระโอษฐ์จะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าบรนลือสีหานาถท่านบอกเลยเหมือนกับสิงโตที่พอเริ่มคำรำออกมาครั้งแรกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่ขนหัวลุกวิ่งเข้าแบบท่านบอกว่าเหมือนวิ่งกันหางจุกตูดอะ่ะคือวิ่งเข้าหลบเลย ไม่เคยคือสิงโตออกมาถึงคำรามเนี่ยคือการบัรลือสีหานาฏครั้งแรกโลกสั่นไหวไปหมดทั้งสามโลกเลยเพราะอะไรเทวดาทั้งหมดเนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วก็เห็นชีวิตตัวเองเป็นนิดจังพอเจออริยสัจเข้าไปพังเข้าไปเนี่ยถึงได้เห็นว่าสรรพสินเกิ ด, ดแล้วดับหรือเนี่ยเราหลงเข้าไปยึดในภูมิของเราพอปล่อยวางก็เขาบอกว่าในโลกนี้มี ท่านโกนธัญญาบรลุธรรมคนเดียวแต่ที่เทวดาแล้วก็พรมเนี่ยพรึบเลยพรืบเลยวันนั้นนะท่านถึงบอกว่าท่านเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์นะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เพราะว่าท่านต้องไขปัญหาให้เทวดาด้วย พอดดึกท่านก็ต้องไขปัญหาตอบปัญหาให้เทวดาครูบาอาจารย์ชั้นสูงก็ต้องคอยตอบปัญหาให้เทวดาเหมือนกันเวลาดึกๆหลายองค์ก็บอกว่าเทวดาชอบฟังธรรมจักรก็มีชอบฟังอนัตตลักษณะสูตรก็มีเวลาเราสวดเขาบางองค์ก็ชอบฟังก็มานั่งฟังกันก็ามาสวดมนต์นั่งฟังไปด้วยนะก็ก็เถอะไม่เป็นไรหรอกกด็ดีก็เกื้อกูลกันไปในหลายๆลาภพภูมิ ถ it, ้าพูดแล้วได้ฟังหลายๆภพภูมิก็ดีก็จะได้มีประโยชน์คำของพระศาสดาก็ฟังกันที่มากเอาละนะครับก็พอได้แล้วพอได้แล้วหลักสูตรสี่วันเองนะครับเยอะแยะไปหมดนอนตะแคงไม่ได้ก็แล้วกันคืนนี้ตะแคงไรออกเลยเต็มหมดแล้วตอนนี้ นอนเนี่ย้องนอนตรงๆนิ่งๆขยับ่ผมจะไหลออกล้นละออนนี้ล้นมีเมลเขียนมาถามผมในหลักสูตรเนี่ยก็เป็นคำถามง่ายๆแต่ก็เป็นผมก็เห็นว่าเออจริงๆมันก็อยู่ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกคนนะแต่บางทีมันนึกไม่ออกเขาเขียนมาถามง่ายๆว่าอาจารย์ ดิฉันฟังเพลงแล้วมันเพลาะดิฉันควรจะต้องทํายังไงไม่ให้มันเพลาะผมก็ตอบว่าเราไม่ได้มาทําให้มันไม่เพลาะแล้วผมก็คงไม่บอกว่าคุณจะต้องรู้ลมหรืออะไรในระหว่างฟังเพลงให้มากหรอกนะอันนี้แล้วแต่ใครจะทําไงแต่ถ้าเอาง่ายที่สุดเลยให้เกิดปัญญาสําหรับชาวโลกจริงๆเนี่ยพอเพลงมันจบปั๊บให้ถามตัวเองเลยว่าความเพลาะอยู่ที่ไหน แล้วมันจะค่อยๆพบความจริงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันตอบตัวเองได้มันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ทํามาเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์เลยมันขึ้นแล้วมันลงแล้วหายไปเลยพระเจ้าถึงได้บอกว่าในธรรมจักเห็นว่าการมาสุขกาิการวิโยะเนี่ยไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยมันแค่วูบขึ้นแล้ววูบลงแล้วหายเลยหายไปเลยแต่ที่เราเห็นมันมีประโยชน์เพราะเราเอามันมาเลียต่อเราไม่ยอมเลิก แต่ถ้าเราเห็นความจริงของเกิดแล้วดับเนี่ยนะเราจะไม่สนเลยวันหนึ่งเราจะโอ้ยฉันเป็นอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นความจริงไปเรื่อยๆไอ้การที่จะบอกให้คนกินไม่อร่อยมันก็ไม่ใช่ที่ก็มันอร่อยอ่ะจะบอกไม่อร่อยอยังไงก็มันอร่อยอ่ะจะบอกไม่ต้องเพาะบ้าเปล่าไม่เพาะก็ฟังแล้วมันเพาะจะบอกไม่เพาะยังไงอ่ะ ดูแล้วมันสนุกก็มันสนุกแล้วจะทำยังไงเอาเงี้ทำอะไรก็ทำไปเถอะนะจบแล้วลองถามตัวเองว่ามันอยู่ไหนไอที่ว่าอร่อยอยู่ไหนวันนี้จิตมันเป็นนิดจังมันถึงไม่เลิกพอเห็นไม่ให้มันเห็นนิดจังบ้างแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันจะรู้เองบางครั้งเนี่ยมันมันยากที่จะบอกเด็กที่กำลังเล่นบาร์บี้ว่าวันหนึ่งหนูจะเล่นบาร์บี้ไม่สนุกเลย แล้ววันหนึ่งหนูจะไม่เล่นบาร์บี้อีกเด็กคนนั้นจะไม่ยอมโตเด็กคนนั้นจะเกลียดคนที่มาพูดพูดอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกหนูชอบบาร์บี้หนูรักบาร์บี้หนูจะเล่นบาร์บี้ไปจนตายแต่วันหนึ่งที่เขาโตเขาไปลื้อกาลังจัดห้องไปเจอกล่องเปิดมาบาร์บี้เพียบเลยเราอาจจะถามว่าอ่าไหนบอกจะเล่นจนตายไงวันนี้ทำไมไม่หยิบมาเล่นน่ะไม่มีประโยชน์ พูดเองพอเห็นแล้วรู้เองแต่ถ้ามูทะล้อ ก, กันตั้งแต่วันแรกเนี่ยบางทีเกิดต่อต้านก็เอาที่ก็เล่นไปแค่ถามตอนจบแค่นั้ น, นว่ามันอยู่ไหนไอความสนุกนั้นไปรับประทานาาะาทปปะ น, นะหารอ๋อเดยวสธาตุปัจจวินะครับครับพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ สาธุครับสาธุได้ฟังธรรมพระาศาสดาชาตินี้คุ้มแล้ว